เราเจะเป็นประโยมากการสองผู้หญิเนี่ยไม่ยากแต่สองตัวเองไม่ยากกว่าเป็นะ เ, เขาฝึกเสือขุนช้างฝึกสุกนัขคงไม่ยากเลยสุน้าเขาฝึกง่ายช้างตัวใหญ่เขาฝึกง่ายเสือเนี่ยดูดุไดนะ้ใครใค ร, ใครสวเสือนะมอ๋อบนตรงนีเาสามารถ เต้นรำกับเสือเสือตัวใหญ่ลงสองเท้าเขเต้นรำกับเสือให้เสือเอาขาสองขาหน้ากาะคนที่เต้นรำด้วยตัวที่เดียวเสือตัเบอร์อเรดิลเลยเอียกวาอ้าปากเลยหัวเขก็ไปในปาคนที่เสือยืนสองขาเขาทาได้ผมว่าเสือเนี่ยไม่เก่งคนสุดไม่เก่งคนถูกเสือ แต่คนฝึกเสือนี่ยฝึกตัวเองไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึกตัวมี่าตามอย่างที่เนี่ยองบรมสมาธิบางๆเราอบรมก็ได้ความรู้ได้เรียอนครัอันนี้ยังยังไม่ดีถ้ที่ควรเพราะว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีในตัวเราการสอนก็จะไม่มีความมั่าองมั่นใจแต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วมาฝนตัวเองให้มี ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมาธิเกี่ยวกับเรื่องธรรมะให้นี้คไคือในป็นใจอะไรนี่การเราผู้เป็นสอนเนี่ยสมาธมันเกิดความมั่นใจต้องผ่านตนัวเราเองให้มีประสบการณ์ทั้งทางถูกทางผิดแล้วก็จะนําไปแนะนําเนี่ยเอาเช่สอนเนี่ยง่ายนะเราฝึกเกง่งไม่เคยทำผิดตลาดเลยไปสอนไม่เก่งสู้บนที่ทำผิด ทำผิดแล้วเรียนสองเนี่ยเนี่ยสอนที่ผิดนะคือจะเห็นที่ผิดแล้วก็เปลี่ยนสอนให้เขาต้อได้ผูนน้คนยน่อมเห็นเพราะฉะนั้นการฝึกทําสมาธิมันฟุ้งบ้างมันเครียดบ้างมันขี้เกียจบ้างมันง่วงบ้าง ม, มันเบื่อบ้างโอ น, นดีประสบการณ์อะไรนะทีนี้พวเราไปฝึกสอนผอื่นเนี่ยมันได้เพราะว่าเราเป็นยังไง หรือก็เป็นไม่ใเราแต่เรามีวิธีการเอาชนะความฟุง้งคิดลวงไหนไม่ได้อย่างไรเรามีวิธีการเอาชนะความห่วงมีวิธีการเอาชนะความคิดเกียรเราทำได้อย่างไรเราสามารถบอกเขได้เพราะฉะนั้นการฝึกแต่ละกล้ามเนี่ยหรือสมาที่แต่ละกล้ามเนี่ยมันเป็นาการฝึกตัวเอง ให้นิเทศน์นเยยเลยมันเป็นชิ้นผมว่าวิชาไหนเยไม่สัตลอวิชาฝึกจิตใจเนี่ยเป็นวิชาเองเลยที่ควรจะฝึกก่อนที่จะเรียนวิชาท่าวิชาการได้สำเร็จวิชาการจะซึกตั้เพราะจิตใจดันั้นจิตต้องเป็นกติเท่านัถ้าจิตมีตังหามีความอยากได้มีความซึ้งเศร้าอกซ้าเนี่ยมันรับวิชาการไม่ได้ แล้วจิตต้องฝืนแต่ที่ิงเนี่ยจิตนี่ต้องฝืนวนะ่าจิตก็มีอยู่แล้วแต่น่สายเราไม่มีต้องฝืนผักแบบนิสยัสยจิตเนี่ยโดยธรรมชาติามันก็สงบเขาสงบถึงด่แล้วแต่นิสายเราเนี่ยมักจะทาจิดแย่สงบแล้วยิ่งไปทำคว า, าสมสงบมันก็ยิ่งไม่สงบเลย ไปทำความสงบนะและจะสงบได้ไงเมื่ออยาอ่างเราเรานังง่งที่เนี่ยเขาเขียนว่าวิดวาจาแต่ถ้าเราไปพูดเนี่ยทุกอย่างเป็นปกติแต่พอใครพูดขึ้นมาเรืเบองก่อนเขาเพิ่บิดวาจาสิเราก็ต้อบอกเธอ่บิดวาจาไอ้คำที่เราทาขึ้นมามันทำให้วาจาเปลียเพราะฉะนั้นอะไรที่เนี่ยมันสงบ อ, อยู่แนละ้ถ้าทุกคนให้พูดว่า ไม่ผู้การไมนะ่อะไรทุกอย่างเป็นปกติเนสลาที่เป็นปย่นันะมันเป็นปกวิอยู่แล้วใจเราเป็นอะย่างกั้นใจที่คนเ่็นสมกเดียสมอดยูก่อนก่อที่จะมาคิดมาตูนใจเ น, น, น, นี่ยคือปลสมองพื้นฐานเพราะนั้นรักษาพราะจะเป็นอย่างนั้นไว้มันก็เป็นสมาสี่อยู่็นตัวไม่ต้องไปทำอะไรถ้าทาขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่สมบูนะต้องรออันนี้อันนี้เป็นเคล็ั ขอการเข้าใจธรรมชาติของจิตแต่ธรรมชาติของจิตนี่มันต้องคิดใช่ไหมถ้าคิดก็ล่อยมคิดแล้วป่อยผนะ่าไปความคิดก็เกิดขึ้นก็ะบความสงบก็เกิดขึ้นเเราพยายามไปห้ามความคิดไม่อยากใหคิดไอ้ตัวห้ามตัวไม่อยากนะตัเป็นวนให้มันคิด <laughs> ปล่อยันคิดแนละ้วก็ดับไปเพียงแต่ เ, เราอย่าไปคัดค้นนะครับ เปนลนก็ได้ราเะว่าปกติของที่ที่มันสบมุนก็เกิดนกเนี่ไมได้หชีวิตอทอะไรเยเีย น, นแก้การเรียนรู้รับรู้แล้วก็จะได้ความรู้ต่อไปก็ได้ความรู้แล้วก็ไปแจกความรู้แ <c oughs> ก็เพิความรู้แล้วก็เลยตาดูอยู่มีคาถามที่เขาบอกว่าชีวิตคืออะไร เราของผู้ที่ไหนนะผมจะพูดเรื่องผู้เรื่องชีวิตนีเรื่องตัวเราเนี่ยผู้แล้วแก้ปัญหตัวเองนะพูดแล้วดับทุกข์ได้ดีกวามีประโยชน์นะคร ช, ชีวิตชีวคืออะไรเคยไคำนี้ไหเราเจ้าของชีวิตเราเองเป็นเจ้าของชีวิตนะเราไม่ร้ว่าชีวิตคืออะไรอันนี้เป็นคำถามที่เรียกว่ายากปากข้อคืออะไรคําตอบที้ยากเลยสำหรับก่อนสมัยที่ผม เป็นวัยรุ่นผมกิดชอบําตอบว่าชีวิตคืออะไรถาว่าชีวิตคืออะไรตอบมีคาตอบว่าชีวิตคือการต่อสู้โลาชีวิตคือการต่อสู้นะศัตรูคือยายกําในโลกสู้กันจนเลยศัตรูคือยายกราเรื่องมันมีความหมายที่ประทับใจมากชีวิตคือการต่อสู้ เราจะตใช้ชีวิตสู้กันจนเกิดจนตายสู้มาเรื่อยจนกระทั่งร่างกายแก่ก็ต่อสู้ความแก่ <c oughs> แล้วมันก็ต้องแก่แม้เดี็กใครจะป่วยก็ต่อสู้นะต่อสู้ความเด็กใครได้ป่วยมันก็ต้องป่วยบางทีมันก็หายปัญหาจากโรคนี้ก็เป็นโรคใหม่ก็ทังตา่าสู้กันจนตายตอนตายสู้นะั้น โอสูอที่มีตัวช่วยนะคุณหอตัวช่วยช่วยใช้อุปกรณ์การแพ ท, ทย์ยาล้มตายายาล้มกายต่อสู้ ต, สตัวเั้งที่งานสุดท้ายอาศัยเท็จมือต่างการแทรพทย์ว้ายก็ต้องตายอันนี้าตายอย่างสมบตัวิมแทแพล่เลยะเ น, นะเนี่ย ชีกาต่อสู้สู้ไปน ต, ตายแก็ได้ปัาผมเองก็เช่นเดียวกันนะท่านสำเร็นเด็กๆเนี่ยนะผมต่อสู้ขาเรืนะ่อยเนี่ยมันเป็นลูกผู้ชายมันต้องสู้สู้เป็นเด็กต่อสู้อย่างเด็กๆวรุ่นวัยเรียนก็สู้มาเรื่อยสู้จนท่านทางานแนละ้วท่านร่างกายที่ตายต่อสู้มาทั้งร่าง ก, กายที่กายชนะเราไม่เส็ กินสู้ยีนแ้สู้จนร่างกายี่การแล้วพิการเราสู้ต่อยนะเนยมันต่อสูอ้ไมสู้ต่อยต่อสู้ความทุกข์กร่างกายพิการที่ยัตวิริยารักษาก็จะให้มันหายพิการแพทยทางเลือดแพทย์แผ น, นปัจจุบันสารพัดอย่างในการรักษาสมัยก่อนเราพิมพแพทยแผนโบราณได้แพทยทางเลือดแพทย์โบราณ บีบนวดกินยาหม่อรถน้ำมันต่อชะตาไปหาหมอชาวาบ้านเขาบเนี่ยเรือดตัวไม่ดีไปหาหมอผีกขว่าผีเข้าไปหาหอพระเขากว่าเป็นกรรมไปหาหอดูก็บอกว่าไม่ดีมันมีเหตุอะไรนะ มันไม่เห็นตัวสักอย่างหมอเข้าทรงหมอพี่เจ้าเข้าทรงทุกอย่างขาองรักษาต้องเรียนกระทั่งรักษาแบบนวดน้ำมันเสร็จนวดน้ำมันน้ำมันบาร์บาทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วก็ไปนอนคือตื่นเช้าตื่นตัวเราคนที่ว่าเราโชคดีนะที่มันเป็นความรู้สึกเนี่ยยิงก็เป็นเด็กเอาขมเข็นแทงก็เป็นเด็กหนาวร้อนก็ไปรู้สึกแบบ คิดว่าดีมดขึ้นมาหนึ่งตัวไม่รู้สึกต้องดึงแรงจะลุกตัวจรก็อว่างขึ้นมาถึงนี่เลยไปไปนะคุณแม่เหคุณแม่ทํำอะไรไม่ถูกมดดึงแรงขึ้นเต็มตัวเลยมคุณแม่ทําอะไรไม่ถูกช็อกตกใจทาาใําไงก็พยายามพยายามไล่เล่นตัวเนี่ยกดเลยเป็นแผลแอบ่างเรื่อง เราสูดกันฟเราสูดกันไปบางทีใช้แบบเค็งชับบว่วโมงไหมชั่วโมงเป็นจะมีสีแน่ก็อิ้มล้างมันแล้วก็มาสักสั ก, ส ก, ส ก, ส ก, สกตาตื่นเครือต้องให้เดียดมาติดๆนะเดได้ดูเราน้องวันโมลเ้ไปไม่หายนะเพื่ตอตเวรารักษาร่างกายเด้วยร่างกายเลยมันหายเป็นกว่าปแต่ทางกาย เมื่อการแปหาใจไม่ยกเป็นทุกอีก่นเเป็นทุกข์เพราะวังคิดว่ารักษาที่นี่คงจะหายก็ผีกวังขณะแปรหาหมอต่างๆหมอเข้าทรงต่างๆก็เตัวเองเขาบอกคุณต้องมาสามครั้งแล้วคุณจะหายโอ้ไปคลั้งแรกเลยเสียเงินไปแล้วกลับมาไม่มีอะไรเกขึ้นมาเลยต้อ ครั้งสองมันจะดีขึ้นนะครั้งสองไปไปติงกปั๊บตารวจมารอเลยคุณมาทาอะไรถ้าอกว่าสามหมอเขาเขาไมมีเม็ดมนมาทํอะไรหมอถูกจับไปได้สองครั้งครั้งที่สองไปรักษาเห็นไหมแต่ขมอที่เขาสองครั้มันใหญ่เลยไม่หาหมอละหมอมาเนี่ยก็คือเขาดูเรื่องเรื่องส่ว ที่สลับดีแต่ได้แห่งนี้หลายท่านแต่จังหวัดนะแห่งนี้จังหวดัดเป็ที่ผมไปรักษาทผมีบ้านอาศัยบ้านที่หมอไหนก็้ากันนั่งอยู่เอาาไม่มีบ้านคนชาวระนบียง่มบ้านอกวอาเนี่นานนววยารักษ า, าบ 3, แบบสสูงไปผนอนแล้วก็เปิดเจากตงไตรง้เขาบอกเนี่ยสูงรวมของการเคื่อนไหวที่หน้าท้องเยอะสัสองนิ้ว โดยการเอาไบตองเอาไปตองวางแล้วก็โขกไฟโขกไฟจาเอาไฟที่วางที่หน้าทองนะโขกแล้วก็เอากระเูื้องพิมเสนวางจุดไฟโอ้โอไฟลก <c oughs> เขามีคฤที่ว่าเอาไฟมาลุกน้ำเนี่ยมันมําให้ไฟนะไฟมันไหลในการสมาธิทำให้เส้นหน้าทองนี่มันหย่อน ทำถเจ็ดวันวันที่แปดพ่อไปซื้อยาทุกรถจนไปเจ็ดวันไม่ไหาอไปเจอหมอว่าที่วาใจหน้าโหน่งรา่างใหญ่มากอายุประมาณสามสิบกว่าแต่รู้สึอายุประมาณยี่สิบห้าี่กโอกรา่างใหญ่หมอเนี่ยชื่อหมอเที่ยงหมอเทียเท่ยงจะรักษาสาเวลานะเช้าประงวันเย็น ช่มอเที่ยวมีนวดเนี่ยเส้นตรงนะเีเนจะดึงไห้ถึงเส้นพราะเพราวชันๆเลยดึงแล้วก็ดึงอสองวันผมเป็นไข้ก็น่าเจอก็ไม่รู้สึกเน่ดึงไม่รู้สึกพอเราไม่ร้องเ็บเราร้อเราะาถุงน้าถุงหนะาดึงพอวันไปแ้่ที่สามก็อตายละเออ ไอ้จิ้หมอนีหมอเที่ยงนะเป็นลมตาร่างกายอย่างไงนนไม่อยอมปกตัวเลยเพราะบางทีก็ไปกัของผมที่ยว า, าการ่างกายเมื่อวานก็อยากใช้เงิายแต่ไม่หายใจในี่รุนแรนี่เป็นการต่อสู้ที่ที่มันไม่มีทางชนะเลยต่อสู้กับกฎของธรรมชาติด้วยความโง่เขลาก็เริ่มคิดใหไปกับ ถ้าเราถือต่อสู้แบบนี้เราก็จะต้องเป็นผู้เป็น ต, ต, ต, ตาก็ได้เปลี่ยนวิธีใหม่หันคำว่าสนใจเราว า, ามองมาหาแพทย์แกนใหม่แพทย์ทางรอบอ่าก็ทางจิตใจและแพทย์ทางเลือกไม่น่าเลือนะนนก น, นักรวดกัวไหมายล้วแทางรอบรอบทางจิตใจร่งจางกายเนี่ยหมอกดค้างรักษา คุณหมอท่านบอกว่าอาการของคุณกับคนเนี่ยต้องหมอเทวดาก็หมอเทวดารักษาแล้วหาที่ไหนเราหมอเทวดาก็เราที่หาหมอเทวดาตาเลยไม่มี<อ>ก็เลยบอกว่ า, าเอาธรรมะโอสถเนี่ ย, ยเป็นแพทย์ทางล้องธรรมะ โ, โอสถเพื่อเป็นเป็นยาสามัญประจําใจเล ย, ยไม่ใช่ธรรมะประจําใจ คือการปฏิบัติธรรมในสภาพการเนี่ยจะเป็นจัดจำเล่ศึกษาเรียนรู้จักาลกเยอะเลัไหนว่าดีก็อาา่านอาจารย์ผู้ยาท้าหลวงพชาลุโอม่นหลวงเทียนเอาไปศึกษาทุกรูปทุกองเน้นให้เรื่องปฏิบัติรให้ปฏิบัตให้ปฏิบัตให้จีิงเป็นจริในใจเาจะเป็นต้อง อาศัยการปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาจิตใจในยามที่ร่างกายที่การก็คือการปัดเจริญสติปฏิบัติธรรมแบบเจริญสติสติปฏัฏฐานสี่เป็นหลักคำคำสอนในการพุทธศาสนาใช้วิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวทำอยู่ที่บ้านไม่ได้ติดวัดไม่ได้มาเรียนจากพรโยคุหรือ ริสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนน่ารู้จักได้ผมก็ไม่ได้เจอตัวติรู้จักแต่นั้งเตีเพราะอ่านโดยแม่หลวงพ่อเทียนตีนสุกโพนสอนเรื่องการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวไม่ทราบว่าใครยกให้ท่านเป็นปรมาจารย์ในการเจริญสติแต่นนีท่านขออนุาไปแล้วแต่ว่ามีหลวงพ่อขำเขียนเนี่ยดูแวบตาสุนทรจังหวัดเชพยงคู ครูอาจารย์ที่สอนเรื่องการเตือนสติในขณะ น, นี้ติดต่อกนะันถ้านก็สอนว่าคนที่การเจี่ยนสติได้แนละ้วปฏิบัติธรรมาบบทุกก็ได้ด้วยนะไม่ต้องอ่ี่วัด น, นะนอนอยู่ที่บ้านคือยาบดิต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยของมันใช่กันได้ด้วยชีผมสมบัตจะกลียกับนั่งยืนเดิน ท, ทำไม่ได้ท่าเราบอกว่านอนตละดสติ ให้เราทิดงมือทิกงมืนหงายทิ้งมือกอวามให้มีสติตารู้ไปนะเมื่อิ้มือกวามรกอบใจดปวยขวาข้างเดียวนะหรือซ้ายอย่างไม่่แข็งแรงทิมือกวาก็ให้รู้สึกตัวทิ้มืนหงายให้รู้สึกนะคิดงมืนกวามให้มีสติตารู้ให้รู้แบบจรงนะดูนะดูควาสึกความจิตเข้าไปสัมผัส ไม่ใช่ยู่เรต้าเอาความรู้สึกที่ก็ไปสัมผัสสัมผัรู้ให้รู้ที่มการงเคลื่อนเครื่อนไหวรู้แบบสบายๆอย่าไปเพ่งเลยสบายๆไม่ต้องหลับต า, าสบายยาสนใจกับสายตาสีหนารู้รู้สึกที่มือกาลังเคลื่อนเ่อไหวให้ทาเล่นลนทแบบสบายรู้แบบดูแบบแย่แย่นะ ทำเรื่อนะให้เ้นะนองทำแบบนี้เมื่อรู้กายสองกายเป็นหลักของการเจอเวลาเกิดความคิดกลุกแต่งเนี่ยทุกคนต้องเห็นเป็นธรรมชาตอย่าไปฆ่ามันนะอย่าไปประคับันนะกนวะ่าให้มันคิดแล้วก็รู้มันคิดตารู้มันคิดนั่นี้งพระโกสติเร็นแข็งเนี่ยพอที่จะดัเมื่อเราคิดไนดับ กลับบรรลุกับรรการเคลื่อนไหยึดเป็นส่วนใจมันคิดจะสนใจกลับบรรลุสุขใจกับการเคลื่อนไ ม, มันคิดรู้แล้วกลับบรรลุออกัวการเคลืนไอาการานี้เรลักเะไรเรียกว่ายาลุกพัฒนาสติปัญญามีสติตั้งไว้ที่กายที่กิด่ให้รู้อย่างนี้เวลามนเกิดความสงบก็อย่าไปเอานะความสมมุบก็เป็นทิทยนะให้รู้มันมันสง อยา่าอยู่ในความสงบเพรรู้ตัวเด่นที่จะตื่นตื่นออกไปจากความสงบเห็นความสงบที่มันเกิดขึนน้นตั้งอยู่หลังไปอย่าไปมุ่งเอาความสงบแต่ให้รู้ว่ามันสงบเนี่ยมันอยู่เหนื อ, วอนความสงมบอีกชั้นสงบก็มีอยู่แต่มีผู้รู้อยู่ในความสงมบใช่ไม้มถ้าเราทํบบาสมาธิเนี่ยเราจะมีความสงบที่เ ง, งียบไม่รู้ตัว แต่ถ้ามีความสงบด้วยถ้ามีสติรู้วยามัสบแล้วเนี่ยของมันมีอีกชั้นมีความรู้ตัวอยู่ในความสงบได้ได้สองท่านสมาธิก็ได้จิตก็ได้นเจะเกิดเป็นอะไรอาศัยการกระายตรงนี้จในีมาเราเคลื่อนไหวแล้วเรารู้สึกตัวสตัวก็เรามาถตัวมันดีนะการมีสติตามรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเกิดสมาธิ ก็มีสติกับเพื่อสมาที่จะเกิดขึ้นสมาธิจะตั้งมันแต่ที่จิตใจยังคลุกคล่างกับอารมณ์ต่างๆอดีต่าาะมันก็ตั้งมั่นในที่การเคลื่อนไหวของกายกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันปลุกให้อิจฉาตื่นไม่ง่วงใช่ปะคนที่ทําสมาธิแล้วง่วงยังเคลื่อนไหวเลยปลุกไม่ทั้งหมดผมเนี่มันนอนทํานอนปฏิบัตินอนยึดมือ ติต <ừ. S 2> ่อติดมือเลยมันก็ม้วนนะแล้วเวลาเดจก้มีง้วนหมเดินร้วนเยหน้าก็ม้วเลยแล้วผมตอนเนี่ยก็ม้วนสายการเคลอนไหวเนี่ยกรตุ้นให้จิตมันตื่นจิตมันตื่นออกมาจากความมวนกันทำมันม้วนจากพิ่ารณาเรรู้ตัวเร็วๆนะมันก็ไม่มวนถ้ามันวนก็พถ้าม้วนลยมันไม่พุอง ดีนงกู่นะคนที่ทาให้ก่้หลับแต่โอดีนะที่มันช่ยุ้คนที่ฟุ้โอดีนะคนนี้หมดดีตั้งคู่ใหเรารู้มนเพื่อนท่านจิงว่าความม่วความฟุ้งันไรมานนารางาความคุ้งทาให้นอนไม่หลับอาจจะโรคิตโรปสาความม่วมว่าให้ซเศร้าติไ่เแต่ม่วมันยังมีความสูลกว่า สวาฟุฟุที่มันเคลื่อ่เพราะฉั้นทั้งสองอย่างเนี่ยฟุงอย่าไปหามาอยู่ปัจจุบันซะความฟุงนีให้เกี่ยบปัจจุบันเกี่ยวับอกขออยู่กับปัจจุบันกับการเคลื่อนไหวแต่มันก็มีฟุงได้ความม่วก็ปลกใจใหตื่เป็นยาบดทําไวไวสติตามโกาเนี่ยมันจะไเกิดสมาธิมเกิดตั้งมั่นได้ยากแล้วก็จะไม่เปมัว ติดเกิดตึแล้วเวลามันเผลอไปมันมีที่กนะลับนะเราหลงคิดไปเนี่ยถ้าเราไม่มีการจะหลังเน่เราจะคิดตรงใจกลับให้คุณแต่ถ้ามีการเคลื่อนไหวของกายเราคิดไปก็กลับมาะตูกลับกายขึ้นมามันคิดไปี ก, ก็กลับไปีคิดไปแต้เรดึงกลับนี่เป็นการสอนจิตว่านี่กลับมานี่กลับวันนี้นะแลือจ่อลูกเราไปที่ทหไหนไปแล้วกลับมาเราบ้านนะถึงเวลาครับสมใากลับมาจิตเราหลงกั น, กน สอนให้กลับมาลดตัวกับการเคลื่อนไหวบ่อยๆแล้วมันเผยมันมีที่กับแล้วมันทำให้เกิดปัจจุบันได้ง่ายปัจจุบันเกิที่เมื่ที่ตัวอารมณ์ปัจจุบันกับผู้ปฏิบัติสำคัญนะถ้าผู้ปฏิบัติไม่มีอารมณ์ปัจจุบันมันก็จะคิดตกแต่งปัจจุบันที่การเคลื่อนไหวของกายคลิกมือรู้สึกเนี่ยมันเป็นปัจจุบันมากยใจเข้ารู้สึก มก็สายกายเนี่ยเป็นเครื่อนอยู่ปกติโดยมีสติผูกไว้แล้วก็มีสมาธิสนับสนุนมันก็ตัางมักรู้อยู่ได้มานอนคิดไม่บสบายต่อไปว่าตรงไหนมันเคลื่อนไหวไปตรงนั้นมาปกสกพลิกเบี้ยเดียวมันก็เมอเปลี่ยนไปเรยบอีมากหากน้ิตาเลยปิตาสติตามรู้การตาจิตมันก็ไไปไหน ต, ตัวไหวนที่มันเคลื่อนไหวได้เราก็พยายามเติติส่วไหนที่มัน่อจะใช้ได้แต่มัใช้เคลื่อนไหว้ขาที่นเคลื่อนไหวไม่ได้เราก็ไมใช้ใช้ส่วนบนที่นเคลื่อนไหวสติมันก็รองรอยในร่างกายราไม่ไปไหนเราดูที่เพื่อนที่ตัวเราเองตัวจอที่ตัวเราเอนี่ยมันก็ป้องกันความคิดที่มันปรงแต่งไให้เรากลิ่นอะไรตะโกนะไิศตัวกระรู้สึก ากายเคลื่อนไหวกายอย่างไหนใจอย่างนั้นต า, า, นะาดูการเยเขารู้การเรียนราเนี่ยมันก็ได้ความรู้นะได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของตาเราดูอะไรเรืองอารรู้อนะไรรืเนี่ยเราจะเกิดความรู้สิ่งนะั้นแล้วของสิ่งหน่าเนี่ถ้าเดียวละวานนะาตรงนี้พอเราคลิกไปพลิกมาเราจะรู้ว่าของนี้เป็นยังไง เรามีสติตามรู้การตลมันก็เรีปัญญาจากการเห็นโอ้กายแสดงหลายๆอย่างี๋ยวมันก็หิวหรือมันก็เมื่อยเห็นมันหิวเห็นมันเมื่อยเห็นมันร้อนปากการมันร้อนหรมันก็หนาวดี๋ยวมันก็อยากจะเ ป, ปลเี่ยนยาปวดหรือมันก็กลับทายคือร่างกายเนี่ยมันก็บอกบตกกลอดเวลานี้ แล้วก็มีที่เรียนรู้เรียนรู้การไมเคยบอกว่าปฏิสุขขึ้น่างมีแตเรื่องบอกความทุกข์ทางเลิกกายผมดูกายผมงไม่เคยดูปฏสุเมื่อใครดูการแล้วปฏสุขกนั่งลนั่ง้มงงยืนมันก็ต้องหายใจเข้ายืนมันก็ต้องขายใจออกไอ้ที่มันหายใจเข้าจะออกนี่มันแก้ทุกข์นะมันแก้ช่วยตัวมันแต่ก็ต้องพิาการพิจาาในการแก้เครียดคลายเครียด จะกลับโรานได้ทุกอย่างมันแก้ทุกตัวเองหมดเลยเราเรียนรู้โอ้ร่าการมันไม่น่าอยู่นะไม่น่าเข้าไปเป็นเจ้าของนะแล้วก็ไปชมวันมันสวยมันงามมันไม่ได้มันไม่ได้ดีทุกอย่างมีการขับถ่ายของเสียเดี๋ยวก็หิวีกแล้วเดี๋ยวก็ต้อกินอีกแล้วทุกของการตัวเราดูของการมันมีเรื่องความแต่เราไม่ได้ทุกข์กับมันนะ สติเวลาเราเจริญมากๆเลยบรรดาเป็นผู้รู้เวลาเราเจริญบรรดาการเป็นผู้รู้ไม่ไม่เข้าอยู่กับกายที่มัเป็นทุกข์เห็นกายเป็นทิดแต่สติหรือตัวที่อยู่กับจิตเนี่ยมันเป็นแค่ผู้ดีรับรู้รับทราบเอช่มันแยกจิตเป็นเพียงแค่ผู้รู้กายธำอาชีพทุกข์แล้เครื่อนไหวมันเป็นรูปเป็นร่าง กายเคลื่อนไหวอันนี้เป็นรูปจิตที่ก็เป็นรู้หรือสติเนี่ยมันก็เป็นหนะทุกคนมีสภาพอย่างนี้รูปกับหนารูปกับหนากาเคลื่อนไหวหการเป็นทุกข์จิตเป็นเพียงแค่ผู้รู้เป็นเพียงแค่ผู้ดูดสบายเลยดูทุกดูกายเปทุกข์มันดูคนอื่นที่มันเป็นทุกข์มันดูคนป่วยจิตเป็นผู้ดูแลกายเป็นคนป่วย แยกุกยกนะกายทุกใจทุกกายที่การใจได้การจะนแค้รู้การป่รปยปวยใจไม้ป่วยกายแก่ใจไม่แก่กายตายใจไม่ตายไม่ดเป็นผู้ตายแต่็ผู้ที่เห็นความตายนะทุกคนมันองี้มันอยู่แล้วแต่เราต้องสติเราขาสติขาดสมาธิจิตใจเราเนีนนแต่ไปเลื่อนลอปแต่งจงตั้ ยึดอวัยวะกายเป็นเรามันก็ทุกไปเลยเวลาการเก็บป ว, ใจจวใดใจก็เจ็บเวลาการหิวใจก็โหเวลาร้อนหน่อยใจก็เครียดนะเพราะใจเราเป็นทวงไม่มีสติแยกว่านี้คือปัญหาของกายนะนี่คือปัญหาของกายไี่ใปัญหาของจิตตัเองเนี่ยเรียนรู้กายด้วยกระดิ่งมาเวลาลากากายมันก็เลยพักผอนนอนหลับ มันจะการร้อนหนเห็นกายก็บอกว่าร้อนในถ้าเราพักผ่อนน้อยมันจะร้อนไนทาอาหารประเภทนี่ไปแล้วท้องผูกท้องผูกเพราะว่าเัา น, น, นอาหารที่มันมีรสหวานๆท้องผูอาหารที่ย่อยยากาอาหารปรเทนี้ไปแล้วท้องเสียอาหารที่สองท้องกัะททอะเสียทานอาหารที่มีสารโพเปิ้ ท้องจะผูกพวกน้ำส้มเป็นต้นทองผูกอาหารที่มีจูร้อนทาให้รินเรามีอาการแสบๆคือกายเขาบอกหมดเลยแล้วก็ก็จการผมเนี่ยปัสสาวสะอุจจาระรู้เรนะื่องรู้สึกแแต่เวลาเขาวปัสสาวะเขาแสบอาการสสว่าเด็สวะแล้วอ๋อเขาบอกว่าเขาบอกว่าตันานนะแต่เรามีสติเราเรียนรู้ตัวเราเลยเราโมจะไปทุบไปเต้าอะไรไม่เคยกลับดูตัวเราอาการอันนี้นะ่าปวปัสสาวะ การแที่ปวดหลังจะล้ถ้าดูของแหลนขึ้นแทนกายอย่างนี้น่าจะสั่เวลาพุชกก็จะสัสเวลาจะเหยียบเท้าเราก็สั่นเขาบอกหมดเลยแต่เราไม่เคยเรียนรู้แต่ถ้ า, ามีสติแล้วกออกายก็พยายามบอกเราทุกอย่างเวลามันอม้วนก็มีอาการพมืเราเห็นคนที่ ม, มีสติเนี่ยการก็มองตัดใจ ม, มันอยู่ทุกนบอลก็สนุกละครก็ตื่นเต้น แต่การเราเป็นยังไงบ้างการต้องการจะพักผ่อนใจเราไม่ยอมเข้าถึงตัญหาเราเรารู้เรื่องอนี้คือการขอการยนี่เรียนรู้เรื่องกัายด้วยสติได้ความรู้ว่านี่ไม่ได้ต่อสู้นะเขาต่อสู้กับการต้องับมันเดินมันก็ไม่เดินแล้วว่าเขาเข้ายังไงเป็นอะไรซะจบเรื่องของการ หันมาดูเรื่องจิตใจเวลาเราเจอจิตได้เรื่อยจะตื่นรู้ตื่นมาจากความมั่วจากความคิดเห็นจิตเห็นใจเห็นใจเราใจมองไม่เห็นเราไม่มีตัวไม่มีที่นไม่เคยเห็นใจเลยใจยรู้ได้เป็นยังไงรู้สงสัยว่าเรามีใจหรือเปล่าสงสัยนะเรามีใจห ล, ล่าใจคือความรู้สึก ใจเป็นความรู um, mm. ้สึกเมื่อคิดได้หนือไมแต่ใจกับความคิดนี่คนละอันนะใจก่อนใจในีนแค่พูดแล้วรู้แต่ความคิดเนี่ยคือสิ่งที่จ si ่อปรู้แต่งเป็นอย่างนนะสักแก๊บเด็เราให้คิดอยู่ก่อนไอ้ทีนมีคิดอยู่ก่อนมีความรู้สึกใการคิดได้แต่เดี๋ยวความคิดปรู้แต่งช่อไปชอมอะไอ้นี่คือความคิดเรียกว่าอารมณ์กัน แถมมันอยู่ด้วยกันะนะแต่ามาทำหน้าที่ต่างกันใจหน้าที่รู้เฉยๆแต่การปรุงแต่งให้ค่าสมบดเนี่ยมันคือความคิดซึ่งไม่ใช่ใจมันมาที่หลั ง, ง, งเป็นแกะจรวงแก่เก่าๆวมันเดินมาหลอกมาเพื่ออะไเนี่ยเป็ความคิดอย่างเดีสติของมันจเจริญแล้วมันเห็นนะมันเห็นเนะหน็นอาการของสติที่มันแสดงการคิดการปรุงแต่งถ้าเราขาสติเนี่ย เราคิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเข้าู่ในความคิดเนียเข้าไปในความคิดว่าความคิดเนี่ยเป็นตัวของเราแเราก็ทำตามความคิดคนที่ขาดสติเยเหมันนั่งอยู่ในศาลาไม่เห็นศาลาคิดว่าเราอยู่โซนขอาลาแต่ถ้าคนที่สติเนี่ยเท่ากับออกไปนอกศล า, ามองออกมาเห็นศาลาทั้งหมดเจิตก็เหกันเมื่อไม่มีสติปั๊บเนี่ย มันจะเห็นความคิดแต่ไม่ได้เข้าใจความคิดการเห็นจะเห็นแบบเป็นผู้ ด, ดูไม่เห็นเรื่ตาเห็นเรื่องจิตเรสัมผัสเห็นความคิดเพราอ๋อเจ้าความคิดเนี่ยมันเป็นต้นของปัญหาเลยเยวลาเราคิดอยากทุกวันร น, นี่เราไม่เคยเห็นความคิดแล้วก็ทําตามความอยากพอทําตามความอยากแล้วมันก็จะมีผลการกระทำจะเป็ น, นการสร้างเหตุ เป็นกรรมเลยนะทําดีมันก็เป็นกรรมดีทําไม่ดีก็เป็ น, นกรรมไม่มีผลออกมาเป็นผลดีหรือไม่ดีส่งผลยิ่งสู้ว่าเราอยากดูละครสักเรื่องอยากดูละครสักเรื่องเราก็ดูตามความอยากพอดูแล้วความอยากมัก็หายนะละครจบตอ น, น, นมีผลอกอกมาคิดอยากก็อิ่มตอนสองโคลเดมานเกิดที้มันก็เกิดความอยากอยูอยอย่แล้วก็ดู แล้วผลออกมาคือมันจะดูมันดูย่ต่อเพราะเราไมได้เห็นความอยากไม่เห็นความคิดความอยากกับความคิดก็ดูต่อไปเรื่อย่ใช่ชั่งความโกรธเราไม่อยากไม่พอใจเกิดความโกรธเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยเราไม่เห็นความโกรธเราขาสติเข้าอยู่ในความโกรธเลยความโกรธเป็นเราเราเป็นผู้โกรธแล้วก็ต้องทำตามความโกรธต้องรีบไปต่อว่าเดี๋ยวมันจะหายโกรธ ต้องนี่ตอบว่าถ้าเอยู่สักนิดนึงก็โกรธดูเฉยเดี่ยวก็หายนะแต่ไม่ได้วหายต้องีเปล่าว่าเดี๋ยวมันไม่จบคอร์สอันมันเป็นผลออกมาเพราะผลออกมาีิมันสร้างใจที่ดีที่จต้องเกิดความโกรต้องทำอีกครับแต่ไี่ใส่ไม่ดีผมก็เกิดความโนเธต่อว่าว่าจะถ้าในคอร์จหนักทำได้ด้วยรางกาแล้วมันก็มีผล มีผลออกมาแล้วดีหรือไม่ดีสุภาษิจะไม่ดีทํางทางความโกรไม่ดีแล้วก็เกิดความคิดที่จะต้องทําตามความโกรธกันเราไม่เคยตัดกระแสเวลาโกรธไม่ทําตามความโกรธผลก็จะไม่เกิดขึ้นเราไม่เคยตัดกระแสเพราะเราไม่ได้เห็นความโกรธไม่ได้เห็นความคิดหลงเนี่ยว่าขาสดสติเยอะนี่สายรเราต้องเป็นความพีิดจิตเตี้ยทำเรื่อยๆเกิดความยากก็ทําตามความอยาก เกิดความโกรธก็ทับตาความโกรธขึ้นมาแล้วเราทำไปเรื่อยๆจนตายเราไม่รู้ส่วนนี้แต่ถ้าเราเปสติปั้บจะสติไปเรืยเห็นความอยากเห็นความโกรธพุ่งขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเป็นผู้เห็นเนี่ยสิ่งนั้นก็จะสลายเดี๋ยวน้อยมันมีชะงักนะเวลาเกิดความโกรธเอ๊ะมันโกรธปั้บเนี่ยความโกรธจะไม่มีแล้เห็นโอ้ที่เราโกรธเลย ดูที่ความโกรธในตัวเรามันจะไม่รุนแรงแต่ถ้าดูว่าดูคนอื่นไม่ดูความโกรธแล้วดูคนอื่นคนที่ทำให้เราโกรธทำไมทำอย่างนั้นไม่น่าเลยมันก็ตึงจะให้ความโกรธมันถูกรุนแรงอกเราะเรานถูกสนมันจะรุนแรพาถูกก็เป็นทุกข์าเอาเห็นเอาผลเขาไม่น่านะ้ช่เหตนผลไม่ทำให้ถูกต้องเอาเห็นเอาผลในความโกรธมันรแรงถ้าปรับความโกรในจิตใจเลยเขาจะไม่รุนแรงเขาเห็น เห็นความปวดมันจะไม่ยดเลยทีนี้มันก็จะเข้าไป้เสียเลยเท่ากับว่าเห็นปั๊บมันอยู่ชะงักเลผมเคยเกิดความผิดปรุงแต่งมากมาสมัยก่อนมีความคุกยิ้เกิดความแห่กเนีใจพอเจอสถิตตรงเนี้ยพอเห็นปั๊บเนี่ยโอ้เห็นอามพาตเลยนะในความผิดเห็นอัมพาตหยุดเลยเพราะนี่อามภาตของจิตมันก็เป็นอย่างนี้เองนะ เาภาพของการมันเคลื่อนไหวไม่ได้เอาภาพสติมันก็หยุดชะงักเกิดลบมละายไปสติมันมีคุณภาพแบบเนี้ถ้าเราเจริญขึ้นมาเลยมันมีสมาธิสนับอารมมันจะเด่นอยในในใจเราอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เด็นมันกด็นมันเข้ามาแทนที่อารมณ์เมื่อมีสติมีความรู้ตัวความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีความคิดปรุงแต่งสติมันก็ไม่เกิดนะครับ ตัวอีเดียนี้เนี่ยผมนั่งอยู่ใครก็จะมานั่งจอนผมไม่ได้ถ้าใครมานั่งผอก็ห้าหกุดที่ห้าติเตอันกัดถ้าเรามีความรู้สตัวอยู่เสมอๆในการเคลื่อนไหวเวลาเราคิดแล้วเราก็รู้สึกแล้วมันเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกถ้าก็เป็นการจอง จ, อจิตจองใจแล้วก็สติสติก็รักษาติให้เป็นปกติอารณตา่างความโลดความโกรธความหลง อิจฉาเสียาจ ห, หวหวากระแวงมือกระเนสมันเข้ามาไม่ได้ <c oughs> เพราะรสติครอบจิตควาใจไปแล้วอันนี้เป็นพราธรรมชาติเมื่อสติควบคุมจิตดีแล้วนติมันก็จะเป็นปกติซึ่งไอ้ความปกติของจิตเนี่ยมันมีอยู่ก่อนแนละ้วเ <c oughs> พียงแต่ถ้าเราไปสติสมาธิเนี่ยารมณ์ต่ต า, าตงๆก็จะเข้าปูดแกงไม่ได้การปูดแกงทำให้ติดเนี่ยมันไม่หส รูในส่วนดีมันก็ไม่ผ่องใสนะมันก็ดีมันก็มันก็เป็นส่วนดีที่ที่ะสมจะยังไม่ผ่องใสต้องทิ่ที่เป็นปกติพ้นจากการปลุกแต่งที่จะผองใสเรื่องปลาตัวตัวเพื่อทุกคนมีอยู่แล้วความผองใสความเปิดปากจิตอยู่แล้วแต่ไม่โอกาสปลอมมันตกขึ้นใหม่เราม้อจะคิดปลงกแต่งต่อไเข้าไปไแต่ถ้าเราไม่ตูุกแต่งเลิกปล โดยมีความรู้สึกตัวเฉยๆเลยรู้เฉยๆสบายๆทั้งความของใสมันก็จะปรากศตัวไปนะมันปราศตัวไปเราก็จะไปหาที่ไหนอันี้เป็นการเจอสติที่ทําให้เกิดสมาธิแล้วทําให้เกิดปัญญาเดินปัญญานะทุกครั้งที่เรามีสติมีความรู้ตัวศีลที่เข้ม สีสร่างกาได้ได้สตินะถ้ากาดสติเนี่สีมันก็ไม่เหลือศสีสร่างาไม้สติเนมะื่อมีสติแล้วสมาธิก็ เ, เกิด น, นี่นมันมีปัญญามีความรู้โัวชั่วครอสีสมาธิปัญญาคุณธรรมทั้งหลายนะั้นเกิดขึ้นในโัสตินะัเเป็นส่วนรวมของความดีส่วนรวมคุณธรรมเพราะฉะนั้นะตัวเดียวมันสามารถเดินปัญญานะเป็นวิปนะัสสนาด้ สีสมาธิกันญาไปนิพพัสมาเพียงแค่มีสติรู้เ่ารู้ตัวเท่านี้ไปนิพพัสมาเป็ น, ป ร, ร, ปนรูปร ป, ประคไม่ใช่กินเอาทได้ในทันทีวันเป็นลูประคำไม่ต้องไปอีกาีนนี้เนี่ยเป็นการเป็บแบบที่แบบง่ายความห่องสายของจิตจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไิ่เอาชั่งใจออก